อนวิธีปฏิบัติที่ไม่มีวิธีวันที่2เมษา ย, ยน2560ก่าวนํับั์การ์พระกุณเจ้าสามเณรคุณไมชมีกัลยมิตรทุกท่านก็เป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์ก็มีบางคำถามนะที่มันค้างคามาหลายวันละกช่วงนี้มันมีขึ้นนะ พวกครูมาอีกไหมอเมริกาใหม่ๆมาอยู่ที่นี่ห้าปีแรกเนี่ยไม่ต้องทำอย่างอื่นรักษาโรคนะเดี๋ยวหามา เ, เดี๋ยวก็แบกกันมาหิ้วปีกกันมานะมีแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเขาทำให้พวกครูต้องมารับรู้เรื่องนั้นนะหลายโรคโรคทุกโรคนะเป็นช่วงๆพวกครูเรียกว่าเป็นควอเตอร์ควอเตอร์ แล้วอเตอร์ที่สองมีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่มาเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าไปในจิตเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็โคอเตอร์ที่สามผู้นำผู้นำประเทศต่างๆแม้กระทั่งคนนอกศาสนานขี่โอเพตตาอย่างนี้อะไรเต็มไปหมดบุเรงนองอะไรมาหมดแล้วก็ต่อมาก็มา บคิสัตมาเต็มศูนย์หลดถ่ายรูปก็เห็นอะไรเห็นทุกจุดนะเริ่มจากก่อนจะมาเทวดาเต็มไปหมดนะไอ้ที่ไอ้ถ่ายเห็นลูกกลมๆ ก, ก็ว่าดวงจิตนะถ่ายได้ทุกคืนนะยิ่งวันไหนเป็นวันสำคัญทังศาสนาเวียนเทียนอะไรเนี่ยเขามาเวียนกับเราหมดแต่ตอนนี้หายไปหมดเลยเนาะแล้วก็ หลังจากโพธิสัตวเสร็จเนี่ยก็จิตอริยะนะแล้วก็พร ะ, ะใหญ่เรานะคือนั้นสมโพธ์ก็ถ่ายเห็นคือเหมือนแสงสะท้อนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เหมือนตีลังกากลับถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกมันเป็นการหักเหของแสงที่นี้ก็ก็ทำให้เราดูว่าหันหลังให้กันก็ได้นะเออ หันหน้าไปมองนั้นก็ได้แล้วก็ไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้เนาะแต่พวกที่นี่เราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะมันมีหลายอย่างแล้วตอนนี้มันมาอีกรอบหนึ่งนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็คนนั้นเดี๋ยวก็คนนี้ศูนย์กรุงเทพก็เหมือนกันนะทุกคนใช้ชีวิตมาดีๆเดี๋ยวก็เดี้ยงอันนี้ท่านในทาง จิตวิญญาณเขาเรียกว่ากระแสกรรมในวัฏสงสารเหมือนธนาคารเราเนี่ยถึงดียวหกเดือนปิดงบนะทวงนี้สิ้นปีปิดงบทวงนี้ที่นี่มันทวงนี้หลายแบบตอนนี้เป็นฤดูทวงนี้ที่ว่าทวงนี้โดยต้อง เรื่องสังขารเรื่องเจ็บใครได้ป่วยนะบางครั้งทวงนี่คือร่างกายแข็งแรงดีบางทีก็ฆ่าตัวตายเพราะอกหักนะแล้วเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้พอกูเห็นขึ้นมันแบบนี้ก็ให้ทุกคนอยู่ในที่ตั้งขึ้นอะไรมาก็ช่างเราเบรกกระแสะกรรมไม่ได้แต่เราดูแลตัวเองได้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆหนีไม่พ้นหรอก มันก็ผ่อนหนักเป็นเบานะอันนี้ขึ้นมันเป็นแบบนี้ธรรมชาติเขาให้ตาหูจมูกกลิ้นกายใจเรามาเห็นไมแค่นี้ก็หนักแล้วบวกกับขันห้านะยังไปแบกไมโครโฟนอยู่แแบบไรด่ากันอะไรพวกนี้น ะ, นะสร้างกรรมยังต้องแบกอยู่คำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าหลายคนไม่ศึกษา หรือไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณจะไม่เข้าใจทุกคนถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยให้ทำตามเหตุผลนะแล้วก็ทำตามใจเอาถ้าไม่ชอบทำทำไมนะเออเด็กให้เขาเรียนอะไรที่เขาชอบนะเพียงแต่ว่าเรามาตั้งเป้าให้เขาเรียบร้อยแล้วบล็อกมันอยู่นั่นแหละอินเดอะบอกแล้วก็เออให้เขาเลือกเลือ ก, เ ล, อกเลือกที่เขาชอบจริงๆรแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าและสิ่งที่เขาชอบนั้น โตขึ้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเหมาะกับชีวิตเขาไหมเห็นไมเด็กไม่มีทางเลือกผู้ใหญ่วางไว้เลยนะไปเรียนต้องเรียนกี่วิชาเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาหมาวิเลยนะมหาวิเลยมีกี่คณะไม่ไม่มีวิชาไหนที่สอนนี้เขาเป็นทาสานเลยเห็นไหมเราไปบล็อกสิทธิของเขาแล้วไม่ได้มันไม่เจริญเติบโต เห็ไหมสมัยก่อนมีนะเป็นเรียนเพื่อจะเป็นนักบวชนะเมื่อกี้พ่อคูดูไทยพีบีเอสเดี๋ยวไมชีโบช่วยตาไม่หน่อยโปรแกรมพ่อคูจดไว้อยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ไทยพีบีเอสสิเดี๋ยวเดี๋ยวจดให้นเขาพูดเรื่องอิสลาม เด็กผู้หญิงอิสลามมาเรียนกรุงเทพนะทำไมเขาโปกหน้าแล้วทำไมอิสลามตะวันออกกลางเนี่ยบางทีนี่เห็นแค่ตานะเดี๋ยวพวกเราศึกษากันว่าทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมพวกเราป่งผมนะทรงผมมันสวยงามนะมันจะยั่วยุทางความรู้สึกแต่คนเขาใช้ปิดเลยนะ ผิดศีลในแง่เขาเนี่ยถ้าไปยั่วยุเขาให้เขาเกิดกำหนัดปุ๊บนี่ผิดศีลแล้วเราก็เกิดกำหนัดด้วยเราก็ผิดศีลเราต้องเรียนรู้ว่าเออเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วพวกเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะไ ร, ะไรที่มันเนื่องด้วยกำหนัดเกิดอารมณ์ปุ๊บนี่คือคนอื่นไม่รู้แต่เราผิดศีลแม้กระทั่งเท้าเนี่ยเขาก็ต้องใส่ถุงเท้าเขาบอกไตัวนั้นตัวดีนะคือมันคือมนุษยธรรมชาติเขาสร้างให้มีของคู่ ถ้ามนุษย์ไม่มีเรื่องอารมณ์พวกนี้เนี่ยระบบเบียนไหว้ตายเกิดก็ล่มสลายแต่ที่นี้เขาก็สัมภาษณ์วันในช่วงที่เราเรียนมหาวิทยลาลัยเนี่ยเขาบอกเวลานี้เรามีหน้าที่เรียนแล้วก็ตั้งมั่นเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไม่ระวังตัวเราแต่งตัวไม่ระวังปุ๊บเนี่ยเหมือนเราเหมือนเรา ย, ยั่วยุฝ่ายตรงกันข้ามใช่ไหมขมขืนกันอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าเราไม่สำรวมระวังยิ่งไปตามแฟชั่น จึ่งตั้งใจไปโชว์นะไม่ใช่ปิดหน้าเฉยๆนะตอนนี้เราไม่ได้ปิดนะนะเรายังไปเสริมจมูกเสริมอะไรให้มันสวยกว่าเกา่าไปยั่วๆเขาอิสลามก็ไม่ทํานะอันนี้ก็เดี๋ยวเอามาฉายกันเรามาศึกษานะก็ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบทุกศาสนาเขา ม, มุ่งเน้นเขามีนัยยะของเขาเพียงแต่ว่าออวิธีการอาจจะต่างกันแต่เป้าหมายเหมือนกัน นะพ่อครูไปที่สนามบินดอนเมืองเขามีห้องละมาดบริษัทใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆก็ต้องมีห้องละบาดให้เขาถ้าจะใช้คนมุสลิมวันหนึ่งละมาดห้าครั้งเห็นไหมอันนั้นคือเป็นเทคนิคที่ดึงให้ตัวเองมาอยู่กับสติเราวจมปักอยู่ใ น, นอารมณ์นั้นนานๆแล้วนี่เราจะหลงอารมณ์นั้นแล้วเราจะเครียดเขาก็ดึงตัวเองออกมาเขาเรียกว่า มาสงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยไปทํางานใหม่นะอันนั้นเขามีมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตเขาคือเอาศาสนามาใช้เลยบ้านเราเรียนรู้ศาสนาเพื่อให้มันสอบผ่านเฉยๆเนาะโดยเฉพาะพวกเรานักบวชต้องต้องเรียนรู้ว่าเราบวชทําไมแต่ของเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องสร้างฉากกันนะแต่ก็ต้องสํารวมระวังเ พ, เพราะเรื่องอารมณ์เนี่มันไม่เข้าใครออกไขเคนะอันนี้ก็เกินเกินก่อนที่จะลืมเนาะ ก็มีคําถามนิวรณ์ประกอบไปด้วยอะไรคะและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเรามากแค่ไหนในชีวิตเราควรก้าวข้ามผ่านตัวนี้ไปให้ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามมันได้ยังอะไรอาวรยึดเหนี่ยวมันไว้ตัวเราจะเป็นอย่างไรอย่างไรคะถ้าพวกครูจําไม่ผิดนิวรณ์นี้เพิ่งพูดเร็วๆนี้เนาะไม่รู้อาทิตย์ไหนเนาะเคยพูดแล้วเนาะ อันนี้ก็คงเขายังไม่คงไม่ติดตามอันนะแต่ไม่เป็นไรฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแต่ละครั้งเราก็เข้าใจไม่เหมือนกันนะก็บางคนเข้าใจฟังรู้เรื่องจำได้หมดไปสอบปุ๊บนี่สอบได้เกรดย่อมอันดับหนึ่งเพราะจำแม่นแต่ว่าทำไม่ได้นะก็พรอครูเคยบอกว่านิวรณเป็นอุปสรรคถ้าตอบว่านิวรณคืออะไรมันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทาให้ผู้ปฏิบ ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจในปฏิบัติต่อไปนะคือนิวรณ์ตัวนี้นมันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตมันก็แยกเป็นเป็นห้าอย่างนะทีนี้ถ้าเราไปศึกษาวิชาการพระไตรปิฎกที่เขาแปลออกมาแต่ละเล่มเนี่ยมันก็เลียงไม่เหมือนกันนะนะ หลายเล่มเอาการมาฉันทะไว้สุดท้ายเพราะมันตัวใหญ่นะแต่บางเล่มก็เอาที่หนึ่งการมาฉันทะขึ้นมาก่อนนะบางคนบอกว่าตัวใหญ่ก็ต้องเอามาขึ้นก่อนนะบางคนบอกตัวใหญ่ต้องเอาไว้ที่หลังมันสําคัญต้องปิดท้ายการมาฉันทะคืออะไรคือพอใจติดใจอยู่ในสิ่งที่เราชอบใจคือติดในความสุขติดใจในกามะคุณห้ารูปรถ กลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยไอ้รูปปุ๊บเนี่ยอิสรามเขาก็เลยปิดหน้าปิดตาถ้าเข่งหน่อยเนี่ ย, เ ด, ยเดี๋ยวเนี่ยให้ตามองเห็นเฉยเฉยเนเพราะเขาปิดรูปไวเพราะรูปนี่มันเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์นะเราติดสวยติดงามไงทุกวันนี้กลัวจะไม่สวยเนี่ยก็ต้องไปผ่าตัดอีกไปแร่เนื้อไปอะไรเนี่ยนะเพื่อจะมโยยุมากขึ้นเนี่ยคืออันหนึ่งนิวร ตัวแรกคือการมาฉันทะคือความพึงพอใจติดใจอยู่ในสิ่งที่ชอบใจคือติดในความสุขติดใจในกามมาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะไอตัวนี้ลหละพอนั่งปึ๊บอุ้ยมันร้อนเห็นติดในสัมผัสเรื่องอากาศเย็นๆร้อนร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่านั่งไปนั่งมาอุ้ยมันเจ็บมันไม่สบายเลยอันนี้คือ กิเลสตัวที่เราติดใจในกามากามะนิวร์ตัวแรกคือกามฉันทะตัวที่สองพยาบาทคิดลายผู้อื่นคือมีความโกรธความอาฆาตนะอารมณ์ตัวนี้โกรธเหมือ น, นกันก็ทำให้จิตเราสงบไม่ได้นะเป็นสิ่งขวางกัน้นทางเดินของจิตเหมือนกันนะอันที่สามก็คือที่ภาษาบาลีบอกถินมิทะ เราจะรู้ก็ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะฟังฟังฟังแล้วก็จบนะมันคือโตดูทอแท้และเคืบิบเคลิมเศร้าซึมนะพวกเราผ่านมาหมดแล้วแหะพอเราเข้าไปในจิตอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นบางทีร้องไห้ซึมเศร้าโดยไม่ด้วยสาเหตุนะมันเป็นอารมณ์เก่าที่เราบันทึกไว้ในจิตได้สำนึกมันกลงังล้างออกนะไอ้ตัวอันนี้เรามีเครื่องมือล้างออกแล้วแต่ถ้าคนไม่มีเครื่องมือเนาะพอมันซึมเศร้าปุ๊บเราก็เศร้ากับมันเลย นะจิตแฟบไม่มีพลังที่จะเอามันออกนะอันที่สี่อุทธจกักกุกุจจกก็ฝุงสร้างอึดอัดกัดกรุ่มบิตกกังวลและลำคาญใจนะไอ้พวกนี้ทำให้เราสงบไม่ได้อันที่ห้าวิจิตกิจฉาคือลังเลใจตัดสินใจไม่ได้สงสัยกังวลเห็นหความลังเลสงสัย จริงๆแล้วมันก็มีความง่วงเหงาเหานอนไอ้พวกอารมณ์เหล่านี้ละ่ะมันจะครอบงมสติเรานะทำให้เราเข้าไปถึงธรรมไม่ได้โดยเฉพาะไอ้ตัวลังเลสงสัยเราเป็นนักเรียนรู้พอเวียงไปปุ๊บเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรมันใช่หรือเปล่านะลังเลสงสัยทำให้จิตไม่อิสระนะอันนี้ก็เรียกว่านิวรหก็เรียกง่ายว่านิวรจึงเป็นธรรมที่ปิดกั้น หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีเป็นเครื่องกั้นความดีไม่ให้เข้าถึงจิตนะอันนี้คือสั้นๆแต่ถ้าไม่ไมีินิวร์เนี่ยเราก็ไม่มีเครื่องเล่นนะเหมือนเราเป็นนักมวยนะ่ถ้าไม่มีคู่ซ้อมเราก็ไม่แข็งแรงนะมันมีประโยชน์แต่ถ้าไม่รู้เท่าทันมันกับเป็นโทษมหันนะ บางทีปฏิบัติมาดีๆปุ๊บเบื่อได้เนี่ยแหละนะเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรุรทำเพราะความเศร้าเพราะคูเห็นทำเพราะความเบื่อนะแต่มันต้องเบื่อสุดๆเลยน ะ, นะถึงที่สุดแห่งทุกข์บางคนทุกทุกวันแต่ไม่เห็นทุกข์นะเพราะหนีทุกตลอดมันเบื่อฉันก็ไปเที่ยวนะ มันเบื่อฉันก็ไปหากินอะไรอะไรอร่อยเพื่อกบเกลื่อนความเบื่อ น, นั้นเราทุกแต่เราไม่เห็นทุกเราจึงไม่เห็นธรรมนะก็คำถามต่อไปการเข้าจิตหมายความว่าอะไรนะถ้าคนยังไม่ไม่สัมผัสจิตเขาก็ไม่เข้าใจหรอกนะเราก็อธิบายอธิบายก็เข้าใจไม่เข้าจิตสมองดูก็จิตไม่รู้เหมือนเก่าก็คือปฏิบัตินะ ทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันเหมือนแผนที่เราจะมาอุบลเราอยู่อุงเทพแล้วก็ไปดูว่าเออการเดินทางไปอุบลเนี่ยมันมีเส้นกี่เส้นทางระยะทางมันเท่าไหร่ต้องผ่านเมืองไหนท้องจำหมดเลยแต่ไม่เคยมาอุบลมาศูนย์เลยเนี่ยเนี่ยเรารู้แค่นั้นนะเรารู้แค่นั้นนะสมัยพุทธกาลเองเจ้าชายชิตฐะก็ไม่มีพระไตรปิฎกอ่านนะไม่มีปริยัต นะพระ อ, องค์ลองถูกลองผิดปฏิบัติหกพรรษานะเริ่มจากปฏิบัติแล้วเข้าสู่ปฏิเวทนะพระ อ, องค์จึงเป็นตัดสู่ความจริงของธรรมชาติแล้วก็เอาสิ่งตรงนั้นมาถ่ายทอดเป็นภาษาเท่าที่พูดได้นะไอ้ทัพใจเบ็ดอกเล่มรุ่นเก่าเนี่ยร้อยร้อ ย, อยเล่มเนี่ยก็บันทึกเท่าที่พูดได้แต่ไอัที่พูดไม่ได้อีกเยอะมาก เพราะบางอย่างพูดปุ๊บมันหยาบพูดปุ๊บหยาบนะเพราะภาษาเนี่ยมันหยาบเกินไปที่พูดมาปุ๊บทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันนะพระองค์ก็เลยล็อกไว้อย่าพึ่งเชื่อตำลาอย่าพึ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อที่ทําตามๆกันมาเห็นไหมนะพระองค์ทรงมีปัญญาอย่างยิ่งถึงบอกไว้อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธฟังหูไว้หู แล้วก็ทําตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนั่นคือหนทางจะทําให้เราไปสัมผัสความจริงให้เรารู้แจ้งนะไอ้ที่ว่าเข้าเข้าจิตหมายความว่าอย่างไรนะจิตเห็นจิตคือมรคเอ้จิตมันมีสองจิตเหรอจิตตัวนี้เห็นจิตตัวนี้นะมันเป็นเหรียญเดียวหรอคนละคนละด้านเนี่ยคือจิตปัจจุบัน นะซึ่งถูกปรุงแต่งแล้วคือพวกครูเคยพูดเรื่องนี้ว่าเด็กเกิดมาใหม่ๆร้องแ yeah ย่นะมันดีใจพอมันดีใจมันก็เต้นแรงเต้นกาพอเสียใจก็ลงไปกิ้งกๆิงนะเออมันปลดปลด ป, ปล่อยออกเนี่ยมันก็เบานะเพราะมันไม่มีมารยาทมันถึงไม่ต้องเครียดแต่ทีนี้พอเกิดมาปุ๊บเขาก็ตั้งชื่อให้เราล่ะใช่บัญชานะเอาล่ะ ผ้าขาวขาวนี่เขียนเข้าไปบัญชานี่พ่อนะนี่แม่นะนี่รวยนะนี่ชนะนะนี่เงินนะนี่อะไรอะไรใสเข้าไปหมดเลยเวลาเกิดมาใหม่ๆนี่พ ก, กูเรียกว่าจิตเดิมนะจิตเดิมเหมือนผ้าขาวพอถูกปรุงแต่งปุ๊บอันนี้กลายเป็นจิตปรุงแต่งแล้วเรากลายเป็นบัญชาแล้ว นะสร้างตัวตนขึ้นมาเห็นหมหนึ่งสัญญาสองสัญญาหลายหลายสัญญากลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าคณะสัญญากลายเป็นอัตตาขึ้นมากั้นบงังไม่ให้เราเห็นอนัตตานะนี่คือจิตปุงแต่งทีนี้แต่บุญเราเกิดมาได้เจอคำสอนที่ยิ่งใหญ่นะวิธีขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะเห็นหแล้วก็ขัดขัดขัดขัดขั ด, ขดพอเราถึงขั้นจิตเห็นจิต เข้าไปกระแสะมรดนะ์อันนี้จุดหลุดพ้นเบื้องต้นละนะเข้าไปในกระแสะมรกนะแล้วจากนั้นไปเนี่ยเป็นเรื่องของจิตข้างในเนี่ยมันเป็นคนดำเนินเองละเราไม่ต้องไปกาหนดขวาซ้ายหรือว่ากี่กี่จังหวะอะไรก็ช่างอันนั้นคือเขาสอนเด็กๆแต่เมื่อจิตเห็นจิตคือมรกแล้วเนี่ยจิตเดิมเราเนี่ยประสบการณ์เขามีมากมายปัญญาเขาเยอะเขารู้ว่าร่างกายปัจจุบันตนไหนบกพ่อง นะจิตปัจจุบันถูกปรุงแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะมาสอนจิตปัจจุบันปลดปล่อยตัวเองนี่แหละจิตเห็นจิตนี่คือมักอันนี้คำตอบคือว่าเข้าจิตหมายความว่าอะไรนะ้วก็รู้แค่นั้นสุดท้ายเราต้องเข้าไปเอ็นไปเห็นเองนะเนียพอเราจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยอย่าไปหลงว่าอุ้ยบรรลุธรรมเป็นอหรหันแล้วนะนะเราหลุดพ้นจากความเป็นทาตของใจ เห็นทมเบื้องต้นขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมัติขึ้นไปนะโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักิอนาคามีผลอาลหัตตมักิอาลหัตตผลสี่คู่แปดบูรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยสงฆ์ในไตรลักษณ์พระพุทธธรรมประสงค์นะ ส่วนนักบวชเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสีน่นีกำลังจะเป็นผู้สแสวงทมตามมายังไม่เห็นธรรมนะเนี่ยจิตเห็นจิตนี่คือเห็นธรรมเบื้องต้นในตัวเราเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งเป็นความจริงเผากี่พันองศาก็ไม่ไหม แล้วมันไม่สูญไปไหนก็คือจิตเราเห็นความจริงแล้วร่างกายเราไม่ใช่ความจริงประกอบด้วยดินน้ำลมไฟตอนเด็กๆ เ, เป็นเบบีปึ๊บเดียวโตขึ้นปึ๊บเดียวแก่แล้วปึ๊บเดียวเผาแล้วอันนั้นมันเป็นสิ่งสมมติชั่วข่าวโดวยเฉพาะเราตั้งชื่ออะไรมันไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงซึ่งเผาไม่ได้ก็คือจิตซึ่งคนจีนเขาเรียกว่าหยนสื่อหลิงผู้สื่อคือคนนี้ต้องตายแต่จิตเราไม่มีวันตาย เขาไม่ปล่อยให้เราตายง่ายๆเราจะหนีหนี้ไม่ได้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วคุณต้องใช้มันนะจิตไม่มีวันตายจิตไม่มีเพศมันอยู่ในร่างผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อยู่ในหมูในหมาในแมวเป็นเป็ดอสูรลกายก็ได้เป็นเทวดาก็ได้นะจิตตัวมันเองไม่มีเพศนะเพศนี้ก็คือสมมุติเกิดมาในร่างที่เราแยกเป็นเพศนะก็ ตั้งแต่ปฏิบัติจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในจิตได้เลยคะต้องปฏิบัติอย่างไรคะทำต่อไปนะครับอย่าอยากเข้าไม่ต้องตั้งใจนะตั้งใจผู้ปไปตัวตั้งใจจะดึงดึงมันไว้นะให้ตั้งมัน่นตั้งมั่นคือทำอะไรก็โทัโทอ ร, รี่อยู่กับมันร้อยเอร์ซนตะอยู่กับมันเราก็ฝึกว่าไปเพ่งดูมันนะ ไปเพ่งดูมันอันนี้เป็นสองมีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นมีผู้สั่งการกับสิ่งที่กระทำอันนั้นมันเป็นแค่สัมมาถากรรมฐานนะไอ้ตัวนี้ถ้าไม่ข้ามพ้นมันเนี่ยจิตไม่ก้าวหน้ามันถูกดึงไว้อันนี้เป็นขบวนการฝึกสมาธิจเจริญสติมันไม่ใช่มรรคจิตนะเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราดาเนินบางทีเราเอาลมหายใจมาเพ่งเราลมหายใจเป็นอุบายเพื่อ เพื่อจะโฟกัสเพื่อรปิที่เกาะนะอันนั้นคือฝึกสมาธิเจริญสติเราก็เกิดความสงบชั่วคู่แต่เข้าถึงก่องปัญญาไม่ได้เพราะเรายังมีหน้าที่เพ่งอยู่นะเราถ้าเราต้องการลมหายใจเราเป็นส่วนหนึ่งของของลมหายใจเลยอยู่ด้วยกันหายใจเข้าก็หายใจเขา้าออกก็ออกไม่ต้องไปเพ่งดูมันไม่ต้องดูมัน นั่นแหละเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเอกคตาลมแต่ทุกวันนี้เราทำอะไรเราแยกส่วนหมดมีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นมีการสั่งการเกิดขึ้นนะวิปัสนาเกิดขึ้นไม่ได้นะก็ทำต่อไปเรื่อ ย, อยตั้งมั่นมีความสุขธรรมมันไม่ต้องเครียดไม่ต้องอยากเข้านะไม่ต้องอยากเข้านะถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับแรงเวียนที่เราเวียงเมื่อไหร่เนี่ยนะ เฮลิคอปเตอร์หมุนเบาๆเห็นไหมมันหาะไม่ได้นะเมื่อมันพลังมันแรงเบี่ยงมันมากปุ๊บเนี่ยมันเอาก้อนเหล็กเฮลิคอปเตอร์นี่เป็นพันกิโลเหาะขึ้นไปได้เลยจิตเราก็เช่นเดียวกันการที่เราปฏิบัติบางวันเราก็สามารถเข้าไปในจิตได้แต่ทําไมบางวันเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในจิตได้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอารมณ์เราเนี่ยมันไม่คงที่นะถ้าเข้า คือมันชำนาญแล้วไม่มีเข้าไม่มีออกอถึงเวลาจะเหมือนเราเปิดประตูบ้านก็เปิดเข้าไปไปกวาดกวาดกวาดแล้วก็ออกมาก็ออกมานะแต่คนที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยเอาล่ะต้องรวบรวมพลังแต่ละครั้งต้องสตาร์ทใหม่นะแต่ถ้าเวลานั้นมีความลังเลสงสัยหรือมีความคิดอยู่มันจะดึงจิตเราไว้สุดท้ายก็ทำไปอีกเดี๋ยวเราเกิดความชำนาญด้วยตัวเราเอง ผมเพิ่งจะเคยฝึกปฏิบัติตอนนี้ผมรู้สึกโล่งๆแต่ก็ยังมีความคิดว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แต่หยุดร่างกายไม่ได้ที่มันโล่งๆอาการนี้อยากทราบว่าเป็นการเข้าจิตแล้วหรือไม่แต่หยุดร่างกายไม่ได้ถามว่าร่างกายนี้ของใครแล้วใครเป็นคนสั่งให้มันเคลื่อนไหวมันหยุดไม่ได้นะก็ทำต่อไปอีก แล้วก็เรียนรู้กับมันเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตอะไรคือใจอะไรคือสมองนะเดี๋ยวเราจะรู้เองแต่ไม่ต้องตั้งใจไปเพ่งดูมันอะไรเนี่ยนะดาเนินไปไเรื่อยๆนะไอ้โล่งๆนี่ในะขนาดนั้นนะจิตมันทำหน้าที่มันปล่อยวางความคิดนะมันอยู่เหนืออิสระจากอารมณ์ทั้งปวงมันก็เกิดความโลง่งความว่างนั่นจะเรียกว่าปิติก็ได้เรียกว่าสุขก็ได้มันก็เป็นฌานอย่างหนึ่ง หลังจากปฏิบัติทั้งนานาจิตตังและสมาธิเหวี่ยงแล้วรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณต้นคอถึงท้ายทอยทั้งที่ตอนปฏิบัติรู้สึกอิสระมากๆอยากถามว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะอะไรคะตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยจิตมันปล่อยวางนะมันอิสระมากแต่พอเราหยุดปุ๊บเนี่พ่อครูบอกแล้วว่าเวลาหยุดต้องค่อยๆ อ, อย่าหยุดทันทีนะเนี่ยอันนี้คือธรรมลมมันค้าง หนักหัวหนักท้ายถอยหนังหน้าอกบางทีท้องอืดท้องล่วงนะความไม่ปกติเกิดขึ้นคือความปกติของสิ่งนี้มันกำลังปรับสมดุลอยู่นะถ้ามันหยุดปุ๊บมันยังหนักอะไรดีดีที่สุดอย่าเพิ่งหยุดดาเนินไปเรื่อยแต่ช้าลงช้าลงช้าลงนะปรับสมดุลของดินน้ำลมไฟแล้วก็คลายทำมลมออก แต่บางครั้งในกระแสะกรรมเนี่ยตัวนั้นแล้วก็ลังจ่ายนี่มันอยู่ความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานของจิตเพื่อให้จิตปัจจุบันยอมจ่ายมันแล้วก็เรียนรู้กับความทุกข์นั้นสาคัญคืออย่าไปคิดกังวลอีกอย่าคิดแล้วมันจะกลัวเฮ้ย hey, มันใช่หรือเปล่าวะอะไรเนี่ยนะไม่มีใช่หรือไม่ใช่ไม่มีความจริงแม้แต่อย่างหนึ่ง นะในโลกในจักรวาลนี้ไม่มีความจริงไม่แต่อย่างหนึ่งนะมีสสิ่งสมมติทั้งนั้นแหละสมมติว่าเราไปเห็นอดีตรเราเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งหาะเหินเดินอากาศได้อดีตเป็นจริงๆอ่ะแต่ปัจจุบันมันผ่านไปแล้วมันเป็นอนัตตาไปแล้วเรามีหน้าที่บางคนกาลังอยู่ในจิตเป็นอามภารในกรรมฐานอ้ น, นี้มีสองอย่างคือหนึ่งอดีตรเราเคยเป็นมาแล้ว แล้วก็จิตปัจจุบันไปเรียนรู้กับตอนนั้นนมันทุกข์แค่ไหนนะเหมือนเป็นล้างมันอีกรอบหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งอนาคตมันจะเกิดขึ้นมันเป็นวิบากกรรมที่บันทึกมันจะออกมาให้เราจ่ายหนี้กรรมก่อนเอาว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ช่างสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าในอดีตมันจะเกิดขึ้นอนาคตรู้เฉยๆเราเรียนรู้สติปัฏฐานสี่เนี่ย นะโดยเฉพาะมหาสติประธานเนี่ยนะมันต้องรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะจิตเดียวไม่ใช่ไปกําหนดที่ตรงไหนเห็นไหมในขณะที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บนะมันร้องโอ้ยโอ้ยนะจิตปัจจุบันก็รู้สึกว่าเวทนาปัจจุบันมันเกิดนะจริงๆนั้นมันเป็นลมอารมณ์ในอดีตที่เราเจ็บปวดแต่จิตปัจจุบันมันต้องเสพกรรมตรงนั้นก่อนถ้าเราใช้ใจทำเนี่ยเรื่องอะไรเราจะทําให้ตัวเองเจ็บ เห็นไแต่ถ้าจิตแล้วนี่ยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งทำพอหมดเวลาแล้วไปไปกินข้าวนะบางทีหายไปกินข้าวปุ๊บมานั่งชั่วโมงใหม่เป็นอีกนะเป็นอีกเพราะว่าบิบากนั้นมันยังไม่หมดนะถ้าเราไม่ตั้งมันน่นศรัทธากับสิ่งที่เราทำแล้วทุกคนถูกนิวรมันจะหลอกถอยหมดเอ๊ะอยู่ดีดีฉันมานั่งให้มันทรมานทำไมนี่เราหนีหนีล้ละเพราะเราไม่ศรัทธาตั้งมั่น กับสิ่งที่เราทำนะไม่ต้องศรัทธาครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์ตอนที่นิวรมันแรงๆนั่นแหละกอดครูบาอาจารย์ไว้ก่อนแต่สุดท้ายต้องพึ่งตนเองต้องศรัทธากับในจิตที่เรากำลังเนินอยู่นะหลังปฏิบัติแล้วนิ้วบวมมือชาเงนือออกที่มือเยอะมาก อยากทราบว่าร่างกายเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมันมีอยู่แล้วล่ะทุกคนมีวิบากกรรมเยอะแยะแต่ทุกคนก็สร้างความดีมามากพอสมควรถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกๆอย่างนี้มันแสดงออกเนี่ยมันมีเหตุของมันอยู่นะเหมือนสิ่งเตือนภยัยละรู้เราก็มีสติมากขึ้นก็หันมาดูแลตัวเองหน่อยหนึ่งชีวิตเราไม่เคยดูแลตัวเองเอาตัวเองไปสร้างอนาคตนะก็เป็นกรรมนะ คำที่เราอยากได้จนทําแบบไม่บัญยะบัญรยังพักผ่อนไม่พออะไรเนี่ยมันก็ฝังเป็นโปรแกรมอยู่ในนั้นนะพอเราดีวล์ปรับไอ้พวกนี้ไหลออกมาเรารู้เฉยๆอารมณ์เวลานั้นน่ะมันไหลออกมายังไงไม่ต้องไปหาสาเหตุต้นเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยคือความอยากรู้ของเราแล้วก็ไปติดบ่วงกับโปรแกรมมันเองแทนที่จะล้างมันออกไปนะเหมือนเรามีหน้าที่ทําความสะอาดสาราเนี่ย เราเป็นนักวิจัยทำปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ต้องรู้ต้นเหตุของมันเอาเม็ดนี้เข้าไปในห้องแลบมันเป็นหมึกขึ้นป้ายไว้ห้ามเอาหมึกเข้ามานะถูไปอีกไอเม็ดนี้เนี่ยเพื่อนอีกเอาไปเข้าห้องแลบอีกเออมันเป็นน้ําตาลเป็นของหวานห้ามเอาของหวานมันมาถามว่าชีวิตนี้นี่ยสาลานี่มันจะสะอาดไหมเนี่ยคือความอยากรู้อยากเห็นของเรานะเรามีหน้าที่ถูเอาความสกรปรกออกความสะอาดก็เกิดขึ้น ไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมนแต่ความอยากรู้ของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสไงไอ้ตัวอยากนี่ทำให้เราสร้างกรรมแล้วไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราแต่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันต้องหาเหตุนะทางวิทยาศาสตร์จำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยะ ก, ก็ยิ่งสับสนนะวุ่นวายไปทั้งโลก ก็มีหลายวิชาอันนี้เก่งวิชานี้วิชานี้ก็ไปเถียงกันชั้นเก่งชั้นเก่งก็ต้องมีหลายอาชีพไงแต่ในทางทำมันกลับกันนะจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างนี่แหละการทํามักให้เป็นหนึ่งมักมีองแปดเหมือนนมเค้กก้อนหนึ่งเราแบ่งเป็นแปดชิ้นวันที่พระครูเราเบิดนี่นะพระครูไม่รู้เรื่องศาสนาเลยจิตเดิมมันตั้งโจทย์เลยไปเล่นตัวใหญ่เลยนะอริยสัจสี แล้วบอกว่ามร์มีองคแปดทำมร์ให้เป็นหนึ่งมันมีแปดทำให้เป็นหนึ่งได้ยังไงนะจิตพวกครูก็วาดหนมเค้กเลยก้อนใหญ่หญแบ่งเป็นแปดชิ้นจําแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมร์ผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างความว่างเป็นหนึ่งแล้วถ้ายังกอดเฮ้ยให้อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ไมื่ก่อนมันอาจจะเหลือสองชิ้นเหลือสามชิ้นก็ได้ มันจะเข้าสู่ความว่างได้ยังไงความว่างเป็นหนึ่งนะแล้วความว่างเนี่ยใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าจากักรวาลเนี่ยนะหลายจักรวาลเนี่ยลอยทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องอยู่บนความว่างมันกว้างใหญ่จนมันล้อมลัวไม่ได้นั่นแะหละความว่างเป็นหนึ่งอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดปวดล้าวถึงแผ่นหลังขณะปฏิบัติเป็นเพราะอะไรคะเจ็บหน้าอกเราไม่ได้เจ็บจริงๆเราไม่ได้ปวดจริงๆนั่นแหละคือมันเป็นเขาเรียกว่าท ร, รมะลมทำมะลมเพื่อให้จิตปัจจุบันเนี่ยยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันให้เห็นทุกทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแต่ชีวิตเราเนี่ยทุกกระทุกกับมันเลยทุกจนบางทีฆ่าตัวตาย นะบางทีเจ็บปวดนอนไม่หลับเนี่ยเราทุกแต่เราไม่เห็นทุกเราก็เลยจมปักอยู่กับอารมณ์ทุกที่เราเข้าไปในนี้มันเกิดอาการนู่นอาการนี่นะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานของจิตแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลมันมีเหตุที่เราสร้างกรรมมาอยู่มันในรูปของธรรมารมเมื่อเรายอมรับมันแล้วเนี่ยเราก็ล้างตัวนั้นไปไม่งั้นอนาคตเกิดขึ้นแน่ๆนะ มีซอสีสเกตเนี่ยเขาศรัทธาพ่อกูมากเป็นนักเรียนรุ่นน้องเรียนตั้งแต่สมัยก่อนนะมาที่ศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ไปสั่งเท่ารายการผลไม้เหมาหมดตลาดเลยแต่เลือกกระเช้าที่มันสุดยอดจริงๆมาให้พ่อกูทุกครั้งก็เต็มครัวเลยแปลกเนื่องจากแกมีคนใจบุญแกแก็เลยเจอเจออะไรแหลงๆทุกครั้ง โม่โ ม, ม, ม่พอคูปุ๊บพ่กูเอ้าตอนนั้นมีกศนเด็กๆก็มาลากลับบ้านอุ๊กเอาไปแบ่งกันกินแกบอกมีอยู่แล้วครัวมีอยู่แล้วอันนี้ของพ่กคูเนี่ยเขาติ ต, ตกเลยเห็นไหมแล้วอีกครั้งหนึ่งไปสั่งเค้กอร่อยที่สุดในศรีสะเกตอีกนะและเค้กก็สั่งไมให้ครัวกินนะอของพี่ครูต้องพิเศษ วันนั้นครูเขามาเข้าค่ายจะกลับเออเอาไปแบ่งเงินกินจิตโตกอีกทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญเห็นไหมทุกข์เลยไหมต้องเลือกอันดีๆมาให้ครูบาอาจารย์กลัวกลัวเบาหวานเพราะครูมันจะน้อยไปนุักษณาแบบนั้นไงคือคือพวกครูมีเจตนานะนี่แหละถ้าเราทำบุญแล้วก็มีอามิตรเลือกทำบับคนนี้ปุ๊บดีใจ ทำกับคนนี้ไม่ดีใจเนี่ยมันเป็นแค่กรรมดีมันไม่ใช่บุญทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานให้ทานก็คือจาคะสลัดความโลคความตเนีออกนะอันนี้ทำแล้วมีความดีใจมีความปิติอันนี้มันมีกิเลสเนาะก็ทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ทำที่แรกก็ เราไม่เคยให้เนี่ยหามาเกือบตายจะไปให้ทำไมนะเออก็ลองให้น้อยๆดูให้น้อยๆก็เจ็บนิดหนึ่งนะแต่ให้เยอะๆมันไม่กล้าตัดเนื้อตัวเองมันมันก็เจ็บมากเออถ้าไม่ให้พอเขาขโมยเราปุ๊บนี่ทีนี้ทุกข์มากเลยสร้างบ้านก็ไปนั่งเฝ้าบ้านพอขโมยเฝ้าบ้านเราก็ทุกข์ทั้งหมดคือเราให้ไม่ได้อย่าไปรอขโมยเขามาขโมยแล้วทุกข์นะให้มันก่อนเลย ที่พวกครูบอกว่าอยากรวยก็รวยแล้วตอนอยู่อเมริกาหาความสุขไม่เจอใช่ไหมมาอยู่ที่นี่นี่เร็วๆนี้มีบริษัทที่เขาเาแม็กโกรเขาช่วยที่ศูนย์มาหลายปีนะทั้งฟรีว้างทั้งคิดเงินบ้างอะไรออะไรตอนนี้เขาก็ฝากไม่กล้ามาเจอพวกครูเองบอกว่าเขาได้รับงานใหญ่ อยากจะเอาบ้านมาจำนองกับพ่อครูพ่อครูไปฝากบอกนะบอกพ่อครูให้กำลังใจนะทำไปเถอะพ่อครูเงินพ่อครูไม่มีสักบาทหนึ่งพ่อครูมอบให้มูลนิธิหมดแล้วนะพ่อครูไม่ได้มาเล่นเกมนี้นะแต่ถ้าเรายังเล่นอยู่นี่แลราหนีไม่พ้นเพราะเป็นเรื่องของเออชันช่วยเธอเธอช่วยชั้นอะไรเนี่ยแต่ว่าเกมแบบนี้พ่อครูไม่ได้เล่นนะเห็นไหมพอไปรับงานใหญ่ปุ๊บเกินตัวปุ๊บมันไม่พอดีแล้วเห็นไหม ก็ต้องหาเงินมาหมุนมถ้าเราทำอะไรแค่พอดีแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอันนี้ยกตัวอย่างหลายๆอย่างที่คนที่กำลังต่อสู้อยู่แม้กระทั่งคนใจบุญนะมาทำบุญแล้วยังทุกข์เลยเห็นไหมอุดสายเขกันกองเลยให้พ่อครูต้องพิเศษไงมาถึงปุ๊บอันนี้เขาเรียกบุญสื่มเนื่องนะนะพ่อครูถ้าเอาปุ๊บเนี่ถ้าพ่อครูนี่เก็บไว้กินคนเดียวเนี่ยเนี่ยก็บาปด้วยนะ บาปพกกูต้องรับกรรมไนงะพวกูก็ทำให้ตัวเองเบาหวานมากขึ้นนะบุญก็จบอยู่ที่พกูแต่ถ้าเราให้ต่อไปปุ๊บเนี่เขาเรียกว่าบุญสือบอเนื่องนะเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าสตีท่านนี้ขับรถไปยางระเบิดคนห้าคนมาช่วยอีกคนนึงไปยางระเบิดที่เดียวกันเวลาเดียวกันคนละวันถูกฆ่าตายทำไมบุญสือบอเนื่องเนี่ยบางคนเขาไม่รู้เขาก็ทำบุญเอามาใส่ตู้บริจาคนี เด็กในโรงเรียนเราทั้งสองโรงเรียนเนี่ยสมองเขาไม่รู้ว่าเงินไข่แต่จิตมันรู้นะคนนี้เกิดมามีแต่คนช่วยคนนี้เกิดมามีแต่คนแกล้งเห็นไหมมันรู้กันจิตสื่อจิตขึ้นของจิตมันรู้ด้วยตัวมันเองนั่นแหละมาอยู่ที่นี่พรอครูบอกพรอครูมั่นคงมาก ใครทำแม้ว่ากูทุกข์ก็ไม่ได้บางครั้งมันเป็นอาการที่เราสอนบางครั้งแรงบ้างเบาบ้างมันไม่น้นเนื่องด้วยอารมณ์นะมันเป็นจิตมันรู้จิ ต, ตวันนี้ต้องพูดแรงพูดเบาอะไรนะพวกกูไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยเห็นไหมไม่มีของหายไม่แต่หนึ่งชิน้นเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไงเห็นไหมของเรามีเท่าไหร่ก็ให้ให้ไปหมดแล้วแล้วยังจะกลัวเสียอะไรเหรอเห็นไหมแต่เราอยู่ตรงนี้ พื้นแผ่นดินตรงนี้เราก็ทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้มันเกิดมรรคผลต่อมนุษยชาติต่อสัตว์ต่อพืช ต, ต่อต้นไม้น่นเป็นหน้าที่เราพอวันไหนที่เราหมดหน้าที่ปุ๊บเนี่ยนะเราไปก็จบแล้วไอ้ส่วนคนอื่นมาก็จะทำดีทำไม่ดีก็เรื่องของเขาบางคนห่วงนะเพราะครูทำเยอะแยะเลยต่อไปพวกครูไม่อยู่จะทำยังไงเอ๊ะมันคิดได้ยังไงเนาะก็ทาให้พวกที่อยู่ในอยู่ได้งไง กลับกันเพราะครูไม่ทำอะไรไว้เลยถ้าพ่กครูไม่อยู่มันจะอยู่ยังไงเราอยู่เราก็ทำส่วนเราไปแล้วเกิดกระแสกรรมเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าห่วงพระพระพจทธเจ้าไม่อยู่ตอนนี้ศาสนาก็ยังอยู่อยู่ส่วนมันจะดีขึ้นหรือเลวลงก็แล้วแต่กรรมคนในยุคนั้ น, น, นเอาตัวเองให้มันรอดก่อนอย่าไปห่วงอะไรมากมายนะรู้สึกอยากร้องไห้ และร้องออกมาขณะที่ปฏิบัติทุกครั้งทั้งที่ไม่มีความกดดันอะไรเลยอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรคะไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันมันเป็นข้างในมันไหลออกมาไม่ต้องไปร่วมเป็นเพราะอะไรนั่นแหละอารมณ์เศร้าเราก็เลยเรียนรู้แล้วก็เห็นอารมณ์เศร้าแล้วเห็นไหมเราก็เห็นมันจบเหมือนเรายิงเป้าปีนเห็นปุ๊บยิงยิงย ง, งนะไม่มีเป้าเราไม่มีตัวยิงมันกำลังไหลออกนะมีทุกคนแหละ นะมันฝังอยู่จิตใต้สำนึกเราถ้าเราไม่เปิดจิตปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ไหลออกมาไม่ได้บางทีชีวิตเราเซ็งเบื่อโดยไม่รู้สาเหตุมันสะสมตรงนั้นมานานแล้วมันก็ออกออกมาบางทีไอ้ตัวนั้นเบื่อถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยเราเบื่อตามมันเลยก็ไปสร้างกรรมใหม่เบื่อจนฆ่าตัวตายก็มีนะมันกำลังไหลออกไงแล้วก็เอามันเป็นประโยชน์เนาะให้มันรู้ วิธีปฏิบัติของพ่อครูสุดโต่งหรือไม่คำว่าสุดโต่งไม่สุดโตง่งไม่อยู่ที่วิธีอยู่ที่คนปฏิบัติอยู่ที่คนปฏิบัติจะทำให้มันสุดโตรงหรือไม่สุดโตรงหรือจะยึดหลักทางสายกลางมันไม่ใด้อยู่กับวิธีวิธีไหนก็ช่างถ้าคนปฏิบัติเนี่ยไปหลงติดส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็คือสุดโตงมันไม่เกี่ยวกับวิธีนะ คนอาจจะบางคนอาจจะเทียบว่าเนี่ยมีมีบางองค์กรว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ไปทำมาหากินเช้าสายบ่ายเย็นสี่คาบห้าคาบมีแตะเวียงเวียง ๆ, ๆนะเขาก็ไปวัดกักวิถีชีวิตเขาเขาก็มองว่าเราน่าจะสุดตรงตามความรู้สึกของเขาเข้าใจไหมถ้าสิ่งที่เราทำอยู่สุดตรงเนี่ยนี่เรากล่าวไหว้ใครเนี่ย ไม่ใช่ทิ้งลูกเมียนะทิ้งแผ่นดินเลยสุดโตงไหมมันอยู่ที่ว่าทำเพื่ออะไรนะหลายคนยุคนี้เนี่ยไปติดที่ว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปมองคนอื่นว่าสุดโตรงมันไม่เกี่ยวกับวิธีมันเกี่ยวกับว่าคนปฏิบัติเนี่ยนะคำว่าสุดโตงคือพอดีไหมส่วนเราอยากไปนี่พานจนเราทรมานสังขาร ไม่หลับไม่นอนไม่กิน <c oughs> นะเอออันนั้นนะสุดโตงถ้าเราไม่คิดถึงนิพพานเราลุยเละเลยลุยทางโรคเลยไม่ดูแลตัวเองเห็นไมไม่ต้องวิธีปฏิบัติจิตนั่นก็คือสุดโตงมันไม่พอดีไงสุดท้ายหาเงินมานั่งรถมารักษาโรคท่านในแง่ชีวิต น, นั่นคือสุดโตง ไอ้คำว่าสุดโต่งมันจึงไม่มีสูตรสมเด็จว่าแบบไหนพอดีพอดีในตัวเรานั่นแหละผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าในเวลานั้นมันพอดีสําหรับบางทีเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราตัวเองนะเราก็มีครอบครัวนะที่จะต้องดูแลเราต้องรู้ว่าเวลานั้นความพอดีของเราอยู่ที่ไหนกําลังเรามีแค่ไหนเวลาเรามีแค่ไหนไม่ใช่ช้างขี่ไปขี่ตามช้างนะไอ้คําว่าสุดโต่งไม่สุดโต่งเนี่ย ไม่ไม่เกี่ยวกับวิธีวิธีไหนถ้าไม่ระวังเนี่ยสุดโต่งได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยถ้าใช้ชีวิตแบบสุดโต่งนะมีเงินร้อยหนึ่งใช้มันแสนหนึ่งอย่างนี้นะอันนั้นก็สุดโต่งไงไปติดวัตถุนิยมเนาะบางคนก็เบื่อมาทิ้งหมดนี้ไปอยู่ในป่าคนเดียวนะไปเป็นทาสานอะไรเนี่ยนะ บางทีมันอาจจะพอดีกับเขาได้นะเราก็เรียกเขาว่าสุดตรงไม่ได้นะแต่ถ้าคือเขาหลงเขาหลงในอารมณ์นั้นน่ะคือเขาสุดตรงนะถ้าทำอะไรยึดหลักทางสายกลางเนี่ยความพอดีมัชชิมาปฏิวัติเนี่ยของแต่ละคนแของแต่ละเวลาของแต่ละสถานที่นะที่ฝรั่งบอกซจิลเลชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเองต้องมีสติว่าพอดีของเราแค่ไหน นะแล้วก็บังเอิญวิธีพรอครูไม่มีวิธีใครบอกพ่าครูได้ไหมว่าวิธีพรอครูเป็นแบบไหนนะมันไม่มีวิธีมันจะมีถูกมีผิดได้ยังไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนยุคนี้เนี่ยสแสวงหาวิธีเราค้าขายเราแสดงหาเทคโนโลยีที่สมัยใหม่เพื่อจะไปเอาเปรียบคนอื่นนะ แล้วเราไปหาวิธีโน่นวิธีนี่เพื่อให้มันเด่นกว่าคนอื่นเราเลยคุ้นเคยว่าการฝึกจิตก็ไปหาวิธีก็ไปติดที่วิธีไม่มีวิธีไหนวิธีหนึ่งที่คิดว่าทุกคนใช้ปุ๊บบรรลุทางหมดไม่มีสายไหนก็ช่างอาจจะมีคนบรรลุอาจจะมีคนไม่บรรลุเห็นไหมสายวัดป่าเราเนี่ยเราเราศึกษามาร้อยปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ยอาจารย์ใหญ่เราคือหลวงปู่มั่น นะีสายท่านพุทโธนะท่านเองก็ไปติเห็นตัวเองติดพุทโธอยู่ตรงนั้นน่ะเนื่องจากบา ร, รมีท า, าสมท่านก็ไปเห็นน่ะท่านก็วางตรงนั้นทีนี้มันก็หมุนไปรอบตัวเลยเกิดอาณาปณะสติขึ้นมาลมปานท่านก็เข้าไปในลึกชาติได้แต่ท่านไม่ได้แสดงออกทางกายภาพท่านเป็นสติปัฏฐานสี่ทีละขั้นอาศัยบา ร, รมีฌานดันเข้าไปแต่ที่เราทําอยู่มันเป็นมหาสติปัฏฐานกาย เวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวขณะจิตเดียวมันได้จ่ายนิกรรมทางกายภาพด้วยนะมันไม่มีวิธีตายตัวแล้วเราทำให้มันเดินไปเนี่ยเห็นแต่ละคนก็แอคชั่นออกมาไม่เหมือนกันวิธีพวกครูที่ทำอยู่ไม่มีวิธีแนวทางที่ศูนย์ไม่มีแนวทางเมื่อมีวิธีปุ๊บอาจจะมีคนทำถูกวิธีแล้วก็ผิดวิธีทันทีเลยเห็นไหม ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ไปกากับเพราะไม่อยากให้หลุดจากวิธีนั้นวิธีเมื่อไหร่ปุ๊บ ม, มันจะมีข้อจำกัดของมันนะอย่างวิธีสอนอนุบาลวิธีสอนประถมวิธีสอนมัธยมมันก็สอนไม่เหมือนกันไงวิชาการมันก็ต้องเปลี่ยนเห็นหแต่ถ้าไปติดวิธีมัธยมอยู่ตรงนั้นมันก็ก้าวต่อไปมหาลัยไม่ได้แต่แต่ว่า คนยุคนี้เนี่ยเนื่องจากเราแข่งขันเสรีเราเลยหาอุปกรณ์หาเครื่องมือหาวิธีที่ดีกว่าคนอื่นแต่เรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่นะก็คนเดียวกันนะ่ะถามใช่หมข้อหนึ่งไปแล้วนะวิธีปฏิบัติของพ่อครูสุดตรงหรือไม่อันที่สองวิธีพ่อครูมีคนบอกว่าไม่ถึงที่สุดเอาอย่แล้ว ปฐมยังไม่จบเลยพูดถึงเรื่องนี้ผ่านนี่คือมานี่คือนิวรณ์อย่างหนึ่งเห็นไมมันบกขวางกั้นก็วิธีพวกูไม่มีวิธีเห็นไแค่อยู่ในกรอบของทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเราทำครบหรื อ, อยัง ไม่ใช่วิธีฝึกจิตยอย่างเดียวเฟืเจริญสติสมาที่อย่างเดียวไม่มีวิธีไหนเป็นสูตรมเด็จทุกคนปฏิบัติจะบรรทุททำได้มันเป็นอุบายวิธีเป็นแค่เทคนิคเราต้องทำให้มันครบองค์คือมรคมีองค์แปดแล้วก็ทำให้มันเป็นมรสมังคีแล้วก็ทำให้มรคมันเป็นหนึ่งขบวนการทาพระริเจาก็บอกต้องทำดีละชั่วขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะต้องให้ทาน คือสลัดความโรคความตเนีออกต้องป้องกันไม่ไปสร้างกรรมใหม่อันนี้เผลอพปุ๊บคิดไม่ดีก็ไปว่าเขานะแล้วไปโยนให้วิธีไม่มีไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งไม่งั้นภูริเจ้ายกตัวอย่างสี่ิบกรรมาฐานทําไมใบไม้กํามมือเดียวก็สอนวิธีเดียวก็จบไงก็มันไม่ใช่ไงจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบรารมีที่สะสมมาก็ไม่เหมือนกัน กรรมที่สร้างมาก็ไม่เท่ากันมันไม่มีวิธีตายตัวนะพระพุทธองค์สอนลาหุนก็แบบหนึง่งสอนสารีบุตรก็แบบหนึง่งเห็นไมพระองค์เห็นวาลาจิตว่าเออไปติดตรงไหนนะสอนพาหิยะไม่ได้สอนด้วยพูดแค่ครั้งเดียวก็บรรลุอรหันต์แล้วไม่มีวิธีเห็นไมแต่ตอนนี้เราไปติดที่วิธีวิธีนั้นวิธีนี้วิ่งหาวิธีจับปลาหลายมือ นะอันนี้ก็ครึ่งถังอันนี้ก็ครึ่งถังครึ่งถังครึ่งถั ง, งเมื่อไหร่มันจะเต็มแต่ละถังนั่นต้องทำสออย่างนะไม่ใช่วิธีฝึกฝึกสมาธิสตินะต้องทานศีลภาวนามีการเทคแอคชั่นเห็นไหมเพราะเพราะเรามีความโลภเราก็สลัดออกคือทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเพื่อลดตัวนั้นก็ไม่พอเห็นศีลในการปฏิบัติ อันนีทานศีลภาวนาคือการปฏิบัตินะศีลในการปฏิบัติก็คือวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเห็นไหมเอามาใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ใช่อาชีพนี้ไปโกหกเขาไม่ใช่อาชีพไปเบียดเบียนเขาเห็นไหมต้องสามอย่างต้องการกระทําทานศีลภาวนาคืออะไรไม่ใช่ไปสวดมนต์ท่องบนอย่างเดียวนะอันนั้นเป็นระดับพื้นฐานทําให้จิตเราสงบชั่วครู่ภาวนานี้ก็คือสัมมาทิพั์สนานี่ยแหละ พอมันรวมกันเป็นมัคสมังคีแล้วเนี่ยมันไม่ได้แยกอันนี้คือสัมมาทพิปัสนามันไปด้วยกันหมดส ม, มาถาก็เกื้อหนุนวิปปัสนาวิปปัสนาก็เกิดปัญญาอันนี้คือภาวนาอันนี้คือการกระทําส่วนผลเมื่อมันบรรลุธรรมแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นช่วงที่เจริญมัคมีการกระทําเกิดขึ้นแต่ผลสูงสุดมัคผลนิพพานนิพพานคือผลสูงสุดตอนนั้น มันไม่ต้องเจริญมกักมันเป็นมกักซึ่งเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้มันมันเป็นศีลสมาธิปัญญาด้วยตัวมันเองนะอันนี้ไปติดที่วิธีหยุบยิมหยุบยิ ม, ย ม, ยมแล้วก็เพิ่มถังเพิ่มถังเพิ่มถังขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มเอาถังถังหนึ่งแบบไหนก็ได้ลุยให้มันเต็มที่ให้มันครบครบสามอย่างเนาะ พวกเราติดที่วิธีเพราะมันการแข่งขันเสียลีนะหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อเพื่อเพื่อจะไปเร็วกว่าคนอื่นนะอันนี้พวกคุูต้องบอกว่าวิธีพวกครูไม่มีวิธีไอ้ที่ไม่มไม่มไม่ใช่วิธีนะ่ะคือทิ่งที่เราทำอยู่แนวทางที่ศูนย์ไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเรานะบางสายตอนนี้เราแยกส่วนนะ เรียนวิชาแบบผนงังบางสายเนี่ยเน้นเรื่องทานนะใช้อุบายทานทานทานทานทานขายบ้านขายช่องกู้นี่ยมิมสินมาตามทานอย่าเพิ่งไปด่าเขานะนะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะพระพุทธเจ้าทานขนาดไหนขนาดสมัยชาติเกิดเป็นพระเวสสันดรนะทานลูกเมียเลยงั้นก็ผิดสิอ่ะ แล้วก็องคปัจจุบันที่เราเคารพนับถือเนี่ยให้หมดเลยมีชุดเดียวออกไปออกบวชขอทานมันขอถอดให้เลยเปลี่ยนชุดขอทานมาใส่สำคัญว่าคนที่เขาชี้ทางเนี่ยเขามีเจตนาจะหลอกลวงเราไหมไม่ต้องไปแย่งงานยมพบาลทมนะยมพยาบาลโกรธมากไม่ใช่หน้าที่เรา กรรมชีเจตนาถ้าเขาเจตนาไม่บริสุทธิ์น่ยจิตมันบันทึกไว้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งทานเนี่ยนะส่วนบางคนทานไม่พอดีเนี่ยไปหลงบุญน่แล้วก็ไปทําตัวให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกรรมเฉพาะตัวเราเราไปติดบุญไงทาบุญตามบุญไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยแฝงด้วยความอยากนะบางสายก็เน้นศีล น, นะเน้นศีลเข้่งเครียดมาก อ่าสินไม่กินเนื้อสัตว์สินไม่ใส่รองเท้าสินอะไรอะไรก็ไม่ได้ผิดอีกก็อยู่ที่เจตนาที่เขาทํานั้นเพื่ออะไรนะเพื่อลดล่าเลิกการ ม, มาฉันทะก็ได้อย่าพึ่งไปว่าเขาเห็นไหมแต่ถ้าแยกส่วนแบบนี้กําลังมันไม่ถึงนะนะบางสายก็เน้นปัญญาเทศอย่างเดียวเทศอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็เข้าใจมันไม่เข้าจิต แต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะผู้เจ้าเทศครั้งหนึ่งพายิยะก็บรรลุทำไงแต่มันไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางที่ผู้เจ้าชี้คือทานศีลภาวนาเมคชัว sure. เพราะว่าบางคนอดีตครั้งทานมาเยอะแค่ฟังทำทีหนึ่งก็บรรลุทำได้แต่เรารู้ได้ยังไงว่าเราแบกบุญมาเท่าไหร่นี่คือทางสายกลางก็คือว่าเราทำสามอย่างนี้พร้อมกันนั่นแหละคือปลอดภัยโอเคนะ ก็อีกสามนาทีนะเวลาพระครูมีหนึ่งชัวง่วโมงต้องใช้สิทธิ์ใครง่วงใครเบื่อใครฟังไม่รู้เรื่องได้ประโยชน์นะฝึกขันตินะอดทนฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างแต่เราได้ขันติบรารมีนะแม้กระทั่งทฤษฎี ทุนนิยมแข่งขันเสรีก็ไม่มีสูตรตายตัวว่าขยันเรียนขยันทำมาหาเงินทุกคนจะรวยเท่ากันหมดเช่นนะพวกเราเด็กเด็กกำลังเรียนรู้นะมิสเตอร์แจ็คม่ามันขย่าวโลกเลยแค่สองสามปีมานี่ไม่รู้ชื่อมาจากไหนเขาเป็นใครรู้ไหมเป็นคนมันนอกคนหนึ่งไปสอบเรียนครูนี่สอบตกสองครั้งสอบไม่ได้ แลวสุดท้ายเขาก็บืนเขาเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนนะเขาขี่จักรยานไปจากหมู่บ้านเขาเนี่ยไปถึงแหล่งท่องเที่ยว40กิโลเพื่อจะไปเป็นมักุเทศอาสากับพวกคนต่างชาติเห็นแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนเล็กๆตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีโลกหนึ่งในห้าสิบ ผู้นำประเทศโลกที่ไหนก็ช่างต้องต้อนรับมันพิเศษแต่ไม่ใช่เป็นแจ็คหมาแล้วจะพ้นทุกนะและไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะสําเร็จในชีวิตได้มันก็ไม่ใช่สูตรสําเร็จมันจึงไม่มีวิธีไหนที่ตายตัวไม่กระทั่งทางโลกทางตรบ่อยู่ที่ความมุ่งมั่นอยู่ที่เขาบอกว่าดวงด้วยดวงนี้มันมาจากไหนมันจากบา ร, รมีที่เราสะสมมาไม่เท่ากันถ้าการ เก่งภาษาอังกฤษมันจะสําเร็จเหมือนแจ็คมาเลยประเทศอังกฤษต้องไม่มีกรร ม, มกรร้านอาหารพ่อครูไอ้คนพูดภาษาอังกฤษเก่งที่สุดเนี่ยมันล้างจานมันเจ็บขยะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ช่วยให้เราเกิดทักษะแค่เราไปท่องจําภาษาของชาติอื่นเท่านั้นเองแต่มันใช่มันไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่มันไม่สู่สําเร็จนี้ยกตัวอย่างว่ามันไม่มีวิธีไหนที่สู่สําเร็จว่าชีวิตเราจะสำเร็จ แม้กระทั่งสูตรของผู้ที่เจ้าเองเพระองค์ยังมียกตัวอย่างหลายหลายหล า, ลาสูตรเลยเห็นไหมใบไม้กำมือหนึ่งดึงมาสักใบดึงทําให้มันจริงๆจังๆสักวันหนึ่งมันจะเต็มถังได้นะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข